เอาน่าอย่าเสีเรียกเรื่องคิดก่อนจึงทาพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการขยันให้ทาน ตถาคตไม่สันเสริญแต่ตถาคตสันเสริญคนที่ใครครวญดีแล้วจึงให้เพราะเมื่อใครครวญแล้วจะไม่มีใครเดือดร้อนจากการให้ที่สุพรรณบุรีมีอยู่ช่วงหนึ่งพระพุทธ ร, รูปในวัดหายเป็นจำนวนมากหลายวัดเสียเจ้าของโรงสีอดรนทนไม่ได้บอกว่า หลวงพ่อครับขโมยมันรบกวนพระเลือกเกินผมสงสารท่้งผมขอถวายปืงให้ท่้งกระบอกหนึ่งมันโง่จริงๆไม่รู้เลยว่าอะไรควรถวายอะไรไม่ควรถวายตัวมันนะ่ะไม่เดือดร้อนแต่พระหนะ้าติดคุก